การฟังธรรมการสนทนาธรรมนั้นนะถ้าไม่ได้บุคคลที่ส ป, ปายะเป็นต้นนี้ก็นับว่าไม่ไม่ง่ายเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ดูในกระถาวัตถุสูตรอังคุตระนิกายติกะนิบาทเห็นไะก็กล่าวถึงบุคคลที่ควรสนทนาและก็ไม่ควรสนทนาเนี่ยนะนะก็เห็นแล้วก็เออชอบใจดี การจะฟังมั่งจะอ่านให้ฟังก่อนการเอาไหมมาเกนึกถึงผู้การพูดถึงว่าเงียบเลยนะก็เลยทําให้คิดถึงสูตรนี้ขึ้นเป็นไงมาควรสนทนาหรือไม่ควรสนทนาแล้มมวมันจะชวนลงฟังท่านที่นีโมยแย่เลยดูที่จะคุยเรื่องอะไรก่อนเล เล่นสามสิบสีอ่อืมรลเล่จะองไป่ที่เล่ที่ชอบลองฟังนะกระถาวัตถุสูตร คือกระถาวัตถุนีแปลว่าถ้อยคําที่ควรพูดเนี่ยนะคือเรื่องที่ควรพูดแต่เนื้อหาพูดถึงบุคคลควรสนทนากับไม่ควรสนทนา ม, มีอยู่หลายในด้วยกันกข้อความในอังคุตรนิกายติกในิบาตกระถาวัตถุสูตรข้อ5 7อา้เนี่ยนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายกระถาวัตถุสามนี้ กะถาวัตถุสามคืออะไรคือบุคคลพูดเรื่องราวปรารบเวลาที่เป็นอดีตว่าในการที่ล่วงแล้วได้เป็นอย่างนี้หนึ่งอันนี้หมายถึงว่าเหตุที่ทำให้คุยกันนะ่ะนะฐานะที่ตั้งแห่งการคุยเวลาพูดเวลาคุยก็จะเอาเรื่องอดีตมาคุยกันนะี่อย่างที่หนึ่งก่อนคือคือพูดถึงเรื่องอดีตอ่ะนะพูดเรื่องราวปรารบเวลาที่เป็นอนาคตว่าในการภายหน้าจเป็นอย่างนี้หนึ่ง ผู้เรื่องราวประลบที่เป็นปัจจุบันบัดนี้ว่าการที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าบัดนี้เป็นอยู่อย่างนี้อย่างหนึ่งคือเรื่องทั่วๆไปนะถ้าโดยเนื้อหาการพูดคุยก็จะพูดการสาเหม น, นะเหตุการณ์ในอดีตอย่างหนึ่งถ้าเกี่ยวกับศาสนาก็จะพูดว่าสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระนามว่ากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกษัตริย์อุปถาชื่อว่าพระเจ้ากิงกิเนี่ยนะก็จะเอาอย่างนี้มาพูดหรือถ้าพูดถึงพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าก็บอกว่าพระ นามว่าสีอริยะเมตไตรเนี่ยนะพระองค์นั้นจะมีพระเจ้าจากักรพรรดิชื่อว่าสังฆะอุปทากเนี่ยนะก็อันนี้เรียกว่าพูดเหตุการณ์ข้างหน้าอันนี้ยกตัวอย่างแบบนาคยาวๆหน่อยนะแต่จริงๆแล้วก็หน้าหลังก็อดีตชาติเป็นต้นก็นับว่าอดีตทั้งนั้นแหละเรื่องราวที่จะเกิดข้างหน้าต่อไปก็เป็นอนาคต <c oughs> ดุกวันที่สู่ทั้งหลายบุคคลพึงรู้กันได้ด้วยกระถาสัมปโยคะ กระถาสัมปโยคา่าแปลว่าการพูดคุยหรือว่าการประกคารมาเหมือนนคือเรียกว่าจะรู้กันได้ด้วยการประกคารมกันว่าจะเป็นบุคคลควรสนทนาหรือว่าไม่ควรสนทนานะเวลาพูดคุยปั๊บรู้แล้วนะว่าควรต่อหรือไม่ควรต่อควรเลิกคุยหรือว่าควรเงียบเหมือนันแควรออกความเห็นหรือไม่อ่ะนะก็สังเกตดูถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วแก้แก้ไม่ขอไ ไม่แก้ตรงซึ่งเอกังสะพยาการณียปัญหาคือปัญหาที่แก้ตรงอ่ะ น, นะปัญหาแก้ตรงก็ไม่แก้ตรงไม่แก้จำแนกซึ่งวิพัชชพยาการณียปัญหาคือปัญหาที่ต้องจำแนกก็ไม่จำแน ก, ก, แ, น ก, กน แ, แก้ไม่ย้อนถามแล้วจึงแก้ซึ่งปฏิปุชชาพยากรณียปัญหาคือปัญหาที่ย้อนถามแล้วจึงแก้ก็ไม่ย้อนถามก่อนค่อยแก้ไม่ยกเลิกซึ่งทปนิยะปัญหา ปัญหาที่ต้องยกเลิกคือคือปัญหาที่ไม่ไม่ควรตอบก็ไปตอบอย่างเงี้นะเช่นนี้บุคคล น, นี้เป็นบุคคลที่ไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วแก้ตรงซึ่งเ e. อกังสะพยาการณีะปัญหาแก้จำแนกซึ่งวิพัฒชกรณีะปัญหาย้อนถามแล้วจึงแก้ซึ่งปฏิปุชชาพยาการณีะปัญหายกเลิกซึ่งถาปรนีะปัญหาเช่นนี้บุคคล น, นี้เป็นบุคคลที่ควรสนทนา เนี่ยนะคือถ้าอันนี้พูดถึงผู้ที่จะไปถามปัญหาธรรมะเนี่ยนะไปสนทนาธรรมะกับผู้ใดนี้ก็สังเกตหลักอันนี้ไว้ว่าควรต่อหรือควรไม่ควรพูดต่อเนี่ยนะก็สาคัญก็ยกตัวอย่างถึงว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยนะจะต้องแก้โดยส่วนเดียวแต่กลับไม่แก้โดยส่วนเดียวอันนี้ก็ไม่ควรคุยด้วยนะใครเป็นคนลักษณะนี้ เขาบอกว่าคำพูดที่ควรตอบโดยส่วนเดียวประเด็นเดียวตรงๆเลยนะเป๊ะเลยไม่ต้องไปยักย้ายอะไรมากก็เช่นถามว่าจาักสสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยนะอันนี้ควรตอบส่วนเดียวไหมคุณวิลาวันส่วนเดียวไ ม, ยไม่เที่ยงนะใช้ได้แล้วนี้ควรคุยด้วยนะ <c oughs> จักสสุไม่เที่ยงหรือควรตอบโดยส่วนเดียวว่าถูกแล้วจักสสุไม่เที่ยงอ่ะนะ ทีนี้ถ้าใครมาถามหูเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าคําแบบเนี้ยตอบตรงๆไปเลยไม่ต้องไปอ้อมค้อมเล่นลิ้นลีลาไม่ต้องไม่จําเป็นว่านั้นเด้อแต่ถ้าใครที่ไม่ตอบลักษณะนี้ก็ให้รู้ว่าอย่าไปคุยด้วยแบบนั้นอย่างที่สอบปัญหาที่สอบนะคือปัญหาที่ต้องแยกตอบลักษณะว่าแต่ผู้ถามว่าจักรสูชื่อว่าไม่เที่ยง<ฤ>หรื อ, อ, รอก็คือกลักษณะคําถามว่าจักรสูเท่านั้นหรือว่าไม่เที่ยงจักรสูเท่านั้นหรือที่ไม่เที่ยงแบบนั้นเด้ ก็ควรแยกตอบอย่างนี้ว่าไม่ใช่จักรสูอย่างเดียวที่ไม่เที่ยงถึงโสตะคานะก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ชื่อว่าปัญหาที่ต้องแยกตอบคือเขาถามว่าจักรสูเท่านั้นใช่ไหมที่ไม่เที่ยงอันนี้ต้องแยกตอบมางั้นเถอะถ้าใครไม่แยกตอบนะตอบโดยส่วนเดียวนะปัญหาที่ควรแยกตอบควรอธิบายเพิ่มเติมแล้วไม่อธิบายเพิ่มเติมเลยอย่างนี้ก็ไม่ควรสนทนาด้วยผู้ถูกถามว่าโสตะเหมือนกับจักรสูจักรสูเหมือนกับโสตะหรือ นะอันนี้เป็นปัญหาที่ควรควรย้อนถามแล้วค่อยตอบคือเขาถามว่าตาเหมือนหูใช่ไหมหูเหมือนตาใช่ไหมก็ควรย้อนถามก็ว่าท่านถามหมายคำ ว, ว่าอย่างไงคือถามหมายถึงว่าการเห็นใช่ไหมคือตากับหูมันเหมือนกันโดยการใช้เห็นใช้ได้ยินใช่ไหมอันนี้ต้องต้องย้อนถามเขาแบบนี้ก่อนเสร็จ แ, แล้วค่อยตอบว่าไม่ใช่หรอก น, นะตาก็มีประโยชน์ในการเห็นหูก็มีประโยชน์ในการได้ยินเนี่ยนะคนละประโยชน์ แต่ถ้าถามแล้วเขาตอบว่าคือผมถามว่าหมายว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็ต้องย้อนถามก่อนให้ให้รู้จักย้อนถามเขาแปว่าจับประเด็นให้มันตรงก่อนอนะนะว่าเขาถามนี้เขามุ่งอะไรกันแน่ก็าถามว่าไอ้ตาเหมือนกับหูไหมหูเหมือนกับตามไหมเหมือนในแง่ไหนล่ะมันก็มีนัยยะที่เหมือนอยู่กับมีนัยยะที่ไม่เหมือนอยู่ถ้าแสดงในแง่ไตรลักษณ์คืออ น, นิจจงเหมือนกัน แต่ท่านมองในแง่อินทรีย์คือการเห็นเป็นต้นไม่เหมือนกันอันนี้ก็แยกตอบเนี่ยนะยืนนก็อันนี้คุณหมอว่าลบใช้บ่อยอนะแยกตอบเหมือนกันถ้าถามอะไรก็จะแยกตอบเป็นข้อๆไปนี่ใช้ได้ควรสนทานาด้วยแต่เขาจะสนทนากับเราอีกเรื่องหนึ่งนะนนทีนี้ปัญหาที่ไม่ควรตอบหรือแปล ว, ว่างดตอบเนี่ยนะคือผู้ที่ถามว่า ชีพก็อันนั้นชีเอ่อสรีระก็อันนั้นใช่ั้มชีวะกับสรีระนี่อันเดียวกันใช่ไหมหรือว่าชีพก็อันนึงสรีระก็อันนึงสัตว์เบื้องหน้าตายแล้วเป็นอีกหรือไม่เป็นอีกโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงต้องบอกว่าปัญหาแบบนี้พระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์เพราะอะไรเพราะไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เนี่ยนะแต่ว่าถ้าใครที่ล้เมิด เหตุการณ์ประเภทนี้ก็อย่าไปสนทนาด้วยว่างั้นเถะถ้าเราเป็นคนอย่างนั้นก็คนอื่นเขาก็ไม่ค่อยคุยกับเราเหมือนกันนะดูแล้วอันนี้ในที่หนึ่งนะในที่สองบอกว่าดูก่อนที่สู่ทั้งหลายบุคคลที่พึงรู้กันได้ด้วยกระถาสัมปโยคะคือการตะคารมเนี่ยนะว่าจะเป็นบุคคลควรสนทนาหรือว่าบุคคลไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่มั่นอยู่ในฐานะและอัถฐานะ ไม่มั่นอยู่ในข้อที่กําหนดไว้ไม่มั่นอยู่ในวาทะของผู้อื่นไม่มั่นอยู่ในข้อปฏิบัติบุคคลเช่นนี้เป็นบุคคลที่ไม่ควรสนทนาด้วยคือคือไม่ยืนยันในเหตุในไม่ตั้งอยู่ในเหตุในผลไม่ตั้งอยู่ในหลักการไม่ตั้งอยู่อะไรในสักอย่างเลยนะก็พูดแล้วก็ดิ้นไปเรื่อยเนี่ยนะเขาหมายความว่าเขาลากไปทางไหนก็ไปกับเขาหมดนั้นแล้วแต่เขาจะจูงไปอ่ะนะถ้าบุคคลนี้ก็ไม่ควรสนทนาด้วย แต่ถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาก็มั่นอยู่ในฐานะอาถานะคือในเหตุในผลเนี่ยนะแล้วก็ข้อที่ควรกําหนดไว้ตั้งมั่นในวาทะของผู้อื่นตั้งมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติบุคคลเช่นนี้ควรสนทนาด้วยก็คือคนมีหลักหน่อยนะ<ม>ส่วนชุดที่3บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลพึงรู้กันด้วยกระถาสัมปโยคะว่าจะเป็นบุคคลควรสนทนาหรือว่าไม่ควรสนทนา ถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วพูดกลบเกลื่อนนอกเรื่องนอกทางสแสดงความขุนเคืองความปรากฏความโกรธแค้นความน้อยใจให้ปรากฏบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลไม่ควรสนทนาไปคุยแล้วเขาเสียใจเขาโกรธขึ้นเรื่อยโทรศะเขาเกิดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เ, เนี่ยนะก็ไม่ควรสนทนา ถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่นอกเรื่องไม่นอกทางไม่แสดงความขุนเคืองความโกรธแค้นความน้อยใจให้ปรากฏบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลควรสนทนาเนี่ยนะเหมือนกับตอนนี้ถ้าเราไปถามข้อปฏิบัติของใครก็ตามไปคุยเรื่องอะไรก็ตามพอถามเขาหนักๆเข้าก็ชักไม่ค่อยพอใจนี่ก็ก็เปลี่ยนเรื่องคุยซะวังกั้นเถอะเมตตาต่อเขาด้วยเมตตาต่อเราด้วยไปถามซะเขาโกรธเสร็จแล้วก็บอกว่าเขาไม่ดีก็ขาดเมตตาทั้งคู่นั่นแหละ ดูก่อิสูจนทั้งหลายบุคคลพึงรู้กันด้วยกระถาสัมปโยค่าว่าจะเป็นบุคคลควรสนทนาหรือว่าเป็นบุคคลไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วพูดพร่ำพูดเหยียบย่ําพร่ำหัวเราะคอยจับคําพลาดบุคคลชนิดนี้เป็นบุคคลไม่ควรสนทนาเห็น ไ, ไหมถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่พูดพร่ำไม่พูดเหยียบย่ําไม่พร่ำหัวเราะ ไม่คอยจับคำพลาดบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลผู้ควรสนทนาเนี่ยนะหมายว่าแมาจ้องหาคำผิดอยู่ตลอดอย่างี้นะก็ไม่ควรคุยด้วยดูการพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลจะพึงรู้กันได้ด้วยกระถาสัมประโยคขาว่าจะเป็นผู้จะเป็นบุคคลมีอุปนิสัยปัจจัยหรือว่าบุคคลไม่มีอุปนิสัยปัจจัยผู้ไม่เงี่ยสดคอยฟังเป็นบุคคลไม่มีอุปนิสัยปัจจัย ผู้เงียสดคอยฟังเป็นบุคคลมีอุปนิสัยปัจจัยอันนี้หมายคว่าไปพูดกับใครแล้วเขาพูดเราพูดคําเขาเถียงสามคำอย่างนี้ใช่ไหม <ow. S 1> ถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีอุปนิสยยัยแล้วเรื่องที่เราจะพูดอนะนั้ น, น mans, คนที่จะพูดด้วยก็งดงดซะแต่ถ้าฟัง เ, เขาก็รับฟังด้วยดีเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็มีเหตุผลโต้แยง้งในควรในฐานะที่ควรโต้แยง้งเป็นต้นเออถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ามีอุปนิสยัยแต่ถ้าเราพูดยังไม่ทันจบแล้วก็ขัดเรื่อยขวางเรื่อยเบรคเรื่อยงัดเรื่อยถ้าอย่างนี้ก็ ไปทำงานอย่างอื่นเถอะเป็นไงนะไปถูพื้นเช็ดพื้นบ้างอะไรบ้างไปทำงานอย่างอื่นไปก่อนรดน้ำต้นไม้ไปอะไรไปเห็นไหอาจจะบาปน้อยหน่อ ย, อยก่อเวรน้อยหน่อยแบบนั้นบุคคลนั้นเป็นผู้มีอุปนิสัยปัจจัยอนะอันนะนนะคนที่เงียโสดลงฟังคือคนที่มีอุปนิสัยปัจจัยเทนี้ถ้ามีอุปนิสัยปัจจัยแล้วจะเป็นยังไง อ่พิชานาติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงซึ่งธรรมะอันหนึ่งเนี่ยนะถ้าถ้าคนมีอุปนิสัยนะเขาจะต้องรู้ยิ่งเห็นจริงเนี่ยนะธรรมะยิ่งอันหนึ่งย่อมกําหนดรู้ซึ่งธรรมะอันหนึ่งย่อมละซึ่งธรรมะอันหนึ่งย่อมทําให้แจ้งซึ่งธรรมะอันหนึ่งเมื่อรู้ยิ่งเห็นจริงซึ่งธรรมะอันหนึ่งกําหนดรู้ซึ่งธรรมะอันหนึ่งละซึ่งธรรมะอันหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งธรรมะอันหนึ่ง ย่อมถึงวิมุตตโดยชอบเนี่ยนะแม้แต่คนเงี่ยโสดลงฟังแล้วนะก็เอาเครื่องวัดไปอีกวัดต่อไปว่าหนึ่งนะเขาไปไปรู้ยิ่งเห็นจริงไหมอย่างหนึ่งสองกำหนดรู้ไหมสามละละสิ่งที่ควรละนะทำให้แจ้งซึ่งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งไหมอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดต่อไปอีกเนี่ยนะเ <c oughs> พราะอะไรเพราะรู้ยิ่งกาหนดรู้ละทาให้แจ้งก็ย่อมถึงวิมุตตโดยชอบคืออรหัตผลเนี่ยนะ ดูความพิสูจน์ทั้งหลายการพูดกันมีอันนี้เป็นประโยชน์การปรึกษากันมีอันนี้เป็นประโยชน์อุปนิสัยปัจจัยมีอันนี้เป็นประโยชน์การเงี่ยโสดมีอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้คืออะไรคือความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ถือมั่นเนี่ยนะทั้งการพูดการปรึกษาอุปนิสัยปัจจัยการเงี่ยโสดลงฟังนะทั้งหมดจุดมุ่งหมายก็คืออรหัตผลเนี่ยนะนี้ถ้า การเรีกสนทนาแล้วก็ไม่เงี่ยโสดแล้วก็ถือว่าแย่ yeah, แล้วเนาะแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนเหล่าใดพูดกันอยู่ผิดใจกันมั่นมุ่งไปคนละอย่างต่างยกตัวกระทบกระเทียบกันอย่างอนาระยะชนเนี่ยนะคือพูดข่มกันไปข่มกันมาเนี่ยนะจ้องหาช่องผิดของกันและกันชนเหล่านั้นย่อมยินดีคําผิดคําพลาดคําเผลอ คำเพอ้อของกันและกันอารยะชนไม่ประพฤติการพูดกันอย่างนั้นเนี่ยนะก็เห็นลักษณะอย่างหนึ่งของอคนที่ไม่เจริญนะนะอนารยะก็คือพวกไม่เจริญก็คุยกันก็จุดประสงค์ก็คนละอย่างใจก็มุ่งไปคนละอย่างและจ้องหาคําผิดของกันและกันถ้าใครพูดผิดแล้วแยิ้มแป่แล้วได้ช่องเลยไหมเนี่ยนะแต่แกเลิกเมื่อไรแล้วฉันเอาเอาคืนแน่เหมือนกันน่ย ก็เลยยินดีในคําผิดคําพลาดคําเผลอคําเพ้อของกันและกันนะนะก็เอาประเด็นที่เป็นคําผิดแล้วก็ยกมาข่มซึ่งกันและกันเห็นไหมคําพูดก่อนแกควรพูดมาพูดทีหลังคําพูดทีหลังแกมาพูดก่อนเนี่ยนะใช้ไม่ได้แต่ไม่ยืนหยัดอยู่ในวาถ้าอันเดิมเลยนี่เปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยก็ว่ากันไปข่มกันไปแปลว่าฉีกหน้ากันที่สุดเท่าที่จะทําได้แบบนั้นเถอะตัลักษณะนั้นอารยานารยะชนเนี่ยเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าอารยะชนล่ะ คนที่เจริญแล้วใครจะพูดก็เป็นผู้ฉลาดเนี่ยนะคือฉลาดในเรื่องที่พูดด้วยนะรู้จักการคือว่ารู้จักการละที่จะพูดว่าพูดการไหนพูดแต่ถ้อยคำที่ประกอบด้วยเหตุผลที่อารยะชนประพฤติกันไม่โกรธไม่ยกตัวมีใจสงบไม่ตีเสมอไม่รุนแรงไม่เอาหน้ารู้ชอบแล้วจึงกล่าวทีเดียว เนี่ยนะคือจะกล่าวแต่เรื่องที่ตัวเองรู้ว่างั้นะทีเขาพูดถูกก็อนุโมทนาว่างั้นเถอะเขาพูดถูกต้องดีแล้วก็ก็ยินดีกับเขาเมื่อเขาพูดผิดก็ไม่รุกรานไม่ฝ่เอาเปรียบเขาพูดพลังไปบ้างก็ไม่ถือไม่พูดพล่ำไม่พูดเหยียบย่าเขาไม่พูดคำสบทสาบานเนี่ยนะสบทสาบานก็พูดไปเป็นยังไงคุณโยมพูดสะบทไปพูดไปสะบดไปสาบานไปนะ พูดสะบดก็คือด่าใช่ไหมพูดไปด่าไปรับพูดคำด่าคำคือพูดไปแล้วก็อ้างอ่บบนี้พูดจริงนะอ่านนี่นั่นนะสบทไปเลยนะการพูดของสัตว์บรุษทั้งหลายเป็นการพูดเพื่อให้เกิดความรู้เนี่ยนะเอาอยานะเป็นที่มุ่งนะนะ<ร>เพื่อความเลื่อมใสคือพูดเพื่อให้เกิดศรัทธาให้เกิดปัญญาก็ยกอินทรีย์สองอย่างพูดใช่ไหม ยกศรัทธาสัศรีนีกับปัญญินรียมาพูดอินทรีสามข้อก็เท่ากับพูดแล้ววันถ้าพูดแล้วต้องส่งเสริมอินทรีห้าพูดแล้วศรัทธาเพิ่มไหมวิริยะเพิ่มไหมสติเพิ่มไหมสมาธิเพิ่มไหมปัญญาเพิ่มไหมก็อเอาเอากุศลธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องวัดอาระยะชนทั้งหลายย่อมพูดกันอย่างนี้นี่เป็นการสนทนาการของอาระยะชนผู้มีปัญญารู้ความข้อนี้แล้วพึงทู่จา ย, ายกตัวฟังกันแทะ นี่ก็สูตรนี้ก็ดีนะเอาไว้ใช้ถ้าหากว่าเราใช้ได้ก็จะเป็นสปายะอยู่ข้อหนึ่งนะในสปายะเจ็ดะนะคือการพูดคุยที่เป็นสปาย ะ, ะการพูดคุยนั้นถือว่าเป็นอาหารของอุทจจะค่อนข้างอย่างดีเนี่ยนะคนที่ฟุ้งซ่านโดยมากก็คือคนพูดมากเนี่ยนะคนพูดมากอย่างหนึ่งพูดผิดกาละพูดผิดโอกาสพูดอะนะด้วย ค่อยคำที่เป็นไปกับทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วก็อุทะจักก็กําเริบฟุ้งซ่านเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าวจีทุจริษเป็นอาหารหรือเป็นเหตุใล้ของอุทะจักกุกุจักเนี่ยนะอันการพูดการคุยนั้นนับว่าสําคัญมากๆทีนี้ผู้ที่อยู่ในวงการธรรมะ ก, ก็เหมือนกันนะก็เป็นวงการที่ปะกันด้วยน้ําลายกันมากนีเสร็จแล้วก็ทั้งคู่ก็ไม่มีใครดีสักคนเลยนะ ใครพูดคนนั้นก็ดีไปนี่นนะไม่ น, น, น, นะไม่ธรรมดางี้ยดันั้นการการสนทนาเนี่ยนะก็หรือการพูดคุยที่ถูกต้องเนี่ยนะก็หมายถึงการพูด เป็นอัดเป็นธรรมใช่ไหมคือพูดคําสอนน่ะนะเราในฐานะสาวกก็คือพูดในสิ่งที่เป็นคําสอนเนี่ยนะเอ่อหรือที่เรียกว่ากระถาวัตถุสิบก็ได้เนี่ยนะคือเว้นเดราชาันกระถาสามสิบสองเรื่องเสียแล้วก็มาพูดแต่เฉพา ะ, ะพระธรรมครําสอนทีนี้พระธรรมครําสอนเนี่ยนะก็มุ่งกระถาวัตถุสิบพูดโดยสรุปอีกในหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้ติดตามพระองค์เพื่อฟัง เพื่อให้แตกฉานพระไตรปิฎกแต่ให้ติดตามฟังพระ อ, องค์เพื่อเพื่อให้ฟังคถาวัตถุสิบเคคืออย่างนี้นะว่าถ้าฟังเพื่อแตกฉานพระไตรปิฎกไปที่ไหนก็คือก็จะมีดีกรีติดตัวว่าพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ไม่มีอะไรที่ไม่เคยเรียนไม่มีอะไรที่ไม่เคยฟังเพราะฉะนั้นรู้หมดนะนะอันนี้คือคือลักษณะผู้ที่ที่เพื่อแตกฉานพระไตรปิฎกเนี่ยนะนะจุดประสงค์ก็จะเป็นอย่างนั้นนะนะก็ เป็นลักษณะอละคัตโทปมาปริยัติเนี่ยนะประยิปรยัติที่ประดุจจับอสสรพิษแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าผู้ที่ฟังเพื่อรู้เยอะอะไรเยอะโดยมากหนึ่งต้องการไม่ให้เขาใครมาดูหมิ่นตัวเองเนี่ยนะจุดจุดประสงค์อย่างหนึ่งนะจุดประสงค์อย่างหนึ่งว่าถ้าใครดูหมิ่นเราเราแก้ได้อย่างที่สองก็คือใครมายุ่งกับเราไม่ค่อยได้เนี่ยนะอันนี้คือเราเหตุผลของผู้ที่เป็นอลคัตโทปมาปริยัติ แต่พระ อ, องค์ไม่ไม่ให้ศึกษาพระธรรมแบบนั้นให้ศึกษาพระธรรมแบบนิสรยะยานิสรณะปริยัติเนี่ยนะปริยัติเพื่อการสลัดออกทีนี้ปริยัติเพื่อการสลัดออกนั้นพระ อ, องค์ก็บอกว่าให้ติดตามพระ อ, องค์เนี่ยเพื่อฟังคาถาวัตถุสิทธิ์นะก็คือเพื่อให้ฟังว่ารู้วันนี้เป็นคาถาว่าด้วยการมักน้อยเนี่ยนะสิ่งนี้มักควรมักน้อยนะสิ่งนี้ควรสันโดษ นีควรปรารบความเพียร น, นี้คือการไม่คลุกคลีนี้คือการวิเวกนิศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตมติยานทัศนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จุดประสงค์มุ่งหมายก็คือเพื่ อ, อฟังหรือศึกษาเรียนรู้เพื่อเพื่อบำเพ็ญไตรสิกขาให้บริบูดนั่นเองเนี่ยนะเป็นไปเพื่อมรรคผลควรติดตามควรศึกษาในลักษณะนั้นเนีย ทีนี้ถ้ามีการฟังพระธรรมคําสอนแบบนั้นนะนะถ้าเงียบโสดลงสดับก็ถือว่ามีอุปนิสัยถ้าไม่เงียบโสดก็ถือว่าไม่มีอุปนิสัยทีนี้จุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ตรงอย่างแท้จริงของการมีอุปนิสัยก็คือเพื่อรู้ยิ่งนะเมื่อกี้บอกว่าเพื่อรู้ยิ่งซึ่งกุศลธรรมอันนอันนี้หมายหมายถึงกุศลธรรมนะว่าเพื่อรู้ยิ่งนะข้อ2เพื่อละเนี่ยนะเพื่อละก็ละ สมุทัยใช่ไหมเพื่อกำหนดรู้ก็กำหนดรู้อุปาทานขันละสมุทยัยแล้วก็เพื่อทำให้แจ้งมรรคผลเนี่ยนะนการศึกษาการเรียนรู้พระธรรมก็มีจุดมุ่งหมายที่ทชัดเจนยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุโทโธอยู่แล้วก็น่าจะชัดอยู่แล้วนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรใช่ไหมแล้วเราเองก็ปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นความปรารถนาที่ถูกต้องแม่นยําก็คือพระ อ, องค์รู้สิ่งใดก็ขอรู้สิ่งนั้นก่อนใช่ไหมอ่าแล้วพระองค์รู้อะไรบ้างล่ะคุณวิลาวันทบทวนอีกครั้งพระพุทธเจ้านี้ตรัสรู้อะไรบ้างอ๋อตรัสรู้อริยสัจสี่นะตรัสรู้ยังไงอริยสัจ เ, เ, เห็นเห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกและอะไรอีก อ๋อต้องต้องอ๋อต้องเห็นเกิดเห็นดับเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อ๋อไม่ผิดอยู่แล้วเนี่ยนะนี่วันตอบไม่ผิดอยู่แล้วอะแต่ว่าไม่ตามหลักนั่นเองก็เลยโอ้โหเสียดายก็เสียหายก็ตรงนี้นะดีแล้วมาบอกต่อหน้าต่อตาหน่อย ก็สิ่งที่พระพุทธเจ้าตัสรู้นะว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรกาหนดรู้เรากาหนดรู้แล้วเนี่ยนะสิ่งที่ควรละเราก็ละแล้วสิ่งที่ควรทำให้แจ้งพระองค์ก็ทำให้แจ้งแล้วสิ่งที่ควรเจริญพระองค์ก็เจริญแล้วนี่เคยพูดให้ฟังไหมอ๋อ <laughs> ก็เลยลืมกาหนดไปนะก็พสงสัยตอนนั้นลืมบอกว่าตรงนี้จาไว้นะ ตรงนี้ก็เซฟข้อมูลเนี่ยนะจำไว้นะตรงนี้ว่าถ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ต้องห้าคำนี่นะเดี๋ยวจะถามมาหลังอีกทีนี้ย้อนาในทัสส์ตระสุดเี่ยนะในหน้าสิบห้าข้อสี่สิบสองพูดถึงว่าธรรมะห้าอย่างที่ควรเจริญเนี่ยนะเพราะเมื่อเช้าพูดถึงธรรมะที่ครัวที่มีอุปการะมากแล้วนะธรรมะที่มีอุปการะมากก็คือ องค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรห้าส่วนธรรมะที่ควรเจริญก็คือสัมมาสมาธิอันประกอบด้วยองห้าอันนี้ก็นับเป็นเรื่องลึกซึ้งนะก็บอกว่าปีติแผ่ไปคือปีติพารณาเนี่ยหมายถึงทุติยชานเนี่ยนะหมายถึงปีติในทุติยชานนี่เรียกว่าปีติแผ่ไปน่นะที่จริงปฐมฌานก็มีปีตินะทุติยฌานก็มีปีติแต่ท่านมุ่งไปที่ทุติยฌานถ้าพูดทุติยฌานปฐมฌานก็ แสดงแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปีติแผ่ไปนั่นหมายถึงทุติยะฌานถ้าสุขแผ่ไปล่ะสุขะพรณาตานี้หมายถึงตติยะฌานเนี่ยนะเพราะว่าตาติยฌ า, านนี้แผ่สุขธรรมะเออขออภัยการกําหนดรู้ใจผู้อื่นแผ่ไปอันนี้เรียกว่าเจโตพรณาเนี่ยหมายถึงเจโตปริยานเพราะแผ่แก่จิตของผู้อื่นให้เกิดขึ้นเนี่ยนะ เจโตภรณาก็คือการกําหนดใจของผู้อื่นนั่นเองส่วนอะโลกะภาณาเนี่ยนะก็คือการแผ่แสงสว่างไปนี่หมายถึงที่ประจักษ์สุขเพราะที่ประจักษสุขนั้นเวลาจะดูอะไรก็ต้องแผ่แสงสว่างไปก่อนนะเจริญอะโลกสินไปก่อนแล้วจึงจะมองเห็นได้เนี่ยนะส่วนข้อที่5้าเนี่ยนะนิมิตเป็นเครื่องพิจารณาคือปัจเจกขณะนิมิตอันนี้หมายถึงปัจเจกขณะยานของผู้ที่ออกจากสมาธิแล้ว พอจากสมาธิแล้วก็มาพิจารณาตัวสมาธิะนะเช่นพิจารณาองค์เป็นต้นของสมาธิว่าสมาธินี้ประกอบด้วยองค์อะไรบ้างอันนี้เรียกว่าปัจเวกขณะนิมิตธรรมะทั้ง5ประการนี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญนะสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ด้วยยานหานี้ควรเจริญเป็นอย่างยิ่งสรุปก็คือฌานฌานเนี่ยควรเจริญ เจโตเปรียญาาก็ควรเจริญที่พจักสุญก็ควรเจริญปัจเวกขณะนิมิตคือการพิจรารณาฌานก็ควรเจริญอันนี้แหละคือธรรมะที่ควรเจริญห้าอันนี้ลึกซึ้งมากนะอะไรลึกๆ ก, ก็ผ่านไปก่อนนะไม่อย่างไม่ค่อยถึงข้อห้านี้ก็คือการพิจารณาปัจเวกขณะยานของผู้ที่ออกจากสมาธิ คือออกจากสมาธิแล้วก็มาพิจรารณาฌานเนี่ยนะพิจารณาฌานพิจารณาสมาธินั้นๆะห น, าา น, น, น, น, น, น่ะนะเอ่อถ้าในสารีปุตสูตรี้มุ่งไปที่อรหันตผลสมาธิก็ก็กลุ่มเดียวกันเนี่ยนะแต่ว่าสูตรนั้นนี่หมายถึงธรรมะที่ควรทำให้แจ้งละเนี่ยนะเป็นกลุ่มธรรมะที่ไม่ใช่กลุ่มที่ควรเจริญเพราะนั่นทำให้แจ้งเนี่ยนะเพราะระดับพระอรหันต์แล้ว แต่นี้อยู่ในกลุ่มธรรมะที่ควรเจริญเนี่ยนะสรุปก็คือฌานอภินยาการพิจารณาน่นแหละควรเจริญอ่างนั้นนะทีนี้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้เลยนะคืออุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณเนยนะรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขัน แต่ทไมจึงเพิ่มคาว่าอุปท า, านเข้ามาด้วยที่เรียกว่าอุปท า, านอานเพราะอะไรเนไหมทไมเนาะจึงเรียกว่าอุปท า, านอาคาคุณนราวัน อ, อ๋อบอกแล้วบอกว่าอย่างไรเจร้า